สบายด้วยมาให้ท่านผู้ฟังรับฟังกันเป็นประจำนะคะตั้งแต่เวลาที่เราเปิดสถานีคือตีห้าถึงตีห้าครึ่งค่ะก็จะมะีพระอาจารย์ภัยบูลอภิปุโนโซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิโทภาโซท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกนะคะซึ่งวัดป่าดอนหายโศกนี้ก็ตั้งอยู่ที่ตําบลดอนไหโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีนู้นนะคะ ไกลกันเลยนะคะอยู่ทางภาคตนออกเฉียงเหนือแต่อะไรก็ตามด้วยวิทยาการอันทันสมัยพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนโท่านก็สามารถที่จ ะ, ะมีมาพูดคุยส่งคังเทศคําพูดคุยที่น่าสนใจไหมทุกท่านได้รับฟังกันเป็นประจำค่ะในะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้นะคะสำหรับในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะเป็นเรื่องของการสากระฉาคือสนทรธรรมซึ่งดิ๋ฉันก็ได้มีโอกาสที่จะมาซักถามพระไพบุญอภิปุโนโท่าน ในประเด็นหลายๆอย่างรวมทั้งมีการตอบปัญหาบ้างสำหรับท่านที่ได้เขียนมานะคะแล้วก็ทางพระอาจารย์ก็อยากจะมาขยายให้มากขึ้นพูดคุยให้เป็นตัวแทนของท่านผู้ฟังทางบ้านที่จะซักถามเพิ่ ม, เ ต, มเติมค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้นะคะก็เป็นเช้าวันเสราร์ที่10ธันวาคมนะคะพุทธศักราช 2,554 ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น15ค่ํา่เดือนอ้ายหรือว่าเดือนหนึ่งนะคะขึ้นปีมะโรงกันแล้วค่ะวันนี้ ที่สิธันวาคมนั้นคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านเกือบจะทุกท่านนะคะคงทราบกันดีว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันพระราชทานรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งก็จะเป็นถือว่าเป็นวันหยุดราชการเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันคล้ายวันพระราชทานรัฐธรรมนูญนี้คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจํากันได้นะคะว่าเมื่ อ, อรัชการที่7นั้นได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกให้กับ พี่น้องชาวไทยเรานะคะเมื่อปีพศ2475ค่ะสำหรับในวันคล้ายวันพระราชทานรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยในทางคราวาดเรานะคะก็เป็นที่แน่นอนว่าจะเป็นวันที่บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสอสอสอวอต่างๆนะคะก็จะได้มีโอกาสที่จะได้เข้าเฝ้านะคะอาจจะเป็นช่วงบ่ายๆแล้วก็มีการถวายความเคารพ แต่พระรูปของอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่รัชกาลที่7ของเรานะคะแต่สําหรับในรายการธรรมารา บ, บรูลวันนี้ท่านผู้ฟังทางบ้านอาจจะว่าเอ๊ะจะมาคุยเรื่องอะไรเด่นขอเรียนว่าท่านพระไพบุญอภิปุโนโพระอาจารย์ของเรานั้นเนี่ยท่านต้องมีประเด็นที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับวันรัฐธรรมนูญกันคะ่ะหลายคนก็บอกว่าถ้าพูดถึงรัฐธรรมนูญนั้นก็เป็นเรื่องของการเมืองก็อยากจะขอนําท่านผู้ฟังมาพบและก็กราบนมัสการพระอาจาราย์ไพบุญอภิปุโนโ ก, กันเลยนะคะ หับน้ำสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเจริญพานสาธุเจ้าค่ะวันนี้เป็นวันพระจันทร์ ร, ร, ร, ร, ร, ร, รัฐธรรมนูญนะ เ, เจ้าคะทีนี้รายการธรรมารับารุณเราจะไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญยังไงเจ้าค่ะก็คือต้องอทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังกับคุณเตือนใจฟังนิดนึงก่อนว่าถ้าพูดถึงเรื่องการรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคือเรื่องของการปกครองเรื่องของการปกครองบ้านเมืองอะไรต่างๆทีนี้ในมุมมองของอาตมาเองอนะ คิดว่าในเรื่องของการปกครองบ้านเมืองการดูแลสุสขทุกข์ของประชาชนโดยรวมเนี่ยถ้าเผื่อว่าคนที่ปกครองคนที่ดูแลเนี่ยไม่มีธรรมะนี่การปกครองนี้ไปไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นจึงต้องบอกว่าธรรมะเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองอย่างเต็มที่นในเรื่องของการเอาไปใช้บุคคลที่อยู่ในหน้าที่ตำแหน่งเหล่านี้ตั้งแต่ข้าราชการระดับสูงนักการเมืองนะตลอดจนผู้ดูแลต่างๆเนี่ยคุณจะต้องมีคุณธรรมทั้งหมด นะเพื่อที่จะได้บริหารบ้านเมืองให้อย่างมีความสุขทีนี้ว่าบางคนอาจจะมีข้อสงสัยถามมาอ้าวแล้ ว, วพระพุทธเจ้าเองเนี่ยปกครองอยังไงนะถ้าตรงนี้เป็นประเด็นที่ดีมากถ้าบอกว่าเราเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าตรงนี้เนี่ยเราสามารถนําเอามาปรับใช้กับการเมืองการปกครองของบ้านเราได้อย่างพระสงค์เองเนี่ยคุณเตือนใจในรัฐธรรมนูญนะเขาบอกไว้ชัดเจนเลยว่าพระสงค์เนี่ย ไม่ได้ไปเลือกตั้งถูกไหมเจ้า<ต>ค่ะถาจมาไปเลือกตั้งเนี่ยเขาก็จะไล่ออกมาจากบูธเลือกตั้งนะจะดิมนเจ้าค่ะดิมนออกมาจากปูหาเจ้าค่ะทีนี้ว่าแล้วหน้าที่ของพระสงฆ์ที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองคืออะไรนะก็จะทําความเข้าใจในเนื่องในโอ ก, กาสวันใกล้วั น, ร, ว น, นรัตนาบรรณูนดีด้วยเลยเจ้าค่ะคือประเด็นแรกก่อนเราพูดถึงเรื่องของที่พระพุทธเจ้าเนี่ยบริหารจัดการคณะสงฆ์อย่างไรปกครองธรรมวินัยนี้อย่างไร ุลวงพ่อบอกว่าพระองค์เนี่ยใช้สิ่งที่เรียกว่าธรรมมาธิปไต่คํานี้เป็นตามที่พุทธเจ้าเป็นพุทธวจนะนะบอกธรรมมาธิปไตยธรรมมาธิปไตยคืออะไรคือการปกครองโดยธรรมนะทิปไตยที่เป็นธรรมะบางคนจะมีพูดว่าอัตตาธิปไตยประชาธิปไต่เราก็อะไรหลายๆปไตยปไตยทั้งหลายนะที่พูดถึงการปกครองถ้าอัตตาธิปไตยคือตามใจฉันฉันเอาอย่างนี้คือเอาอย่างนี้ใช่ไหม ประชาธิปไตยคือตามใจคนส่วนมา ก, กนะแล้วก็ธรรมมาธิปไตยคืออะไรก็คือตามธรรมะทีนี้อรรมามีประเด็น ต, ตรงนี้ว่าสมมุติเราพูดถึงอั ต, ตาธิปไตยอั ต, ตาธิปไตยคือตามผู้นําอย่างเดียวบางคนก็จะพูดถึงเขาเรียกว่าประเด็จการใช่มป <nem maid> ระเด็จการนี่คือเอาตามผู้นําคนเดียวผู้น Shakes, ําว่ายังไงเอาตามนั้น ค, คุณไม่มีสิทธิ์แย้งนะจบเลย น, น, นี่คืออัตาธิปไตยหรือว่าประเด็จการกนี่คือประเภทที่หนึ่งประชาธิปไตยคืออะไรเอาตามคนหมู่มาก คนหมู่มากว่าไงเอาตามนั้นเนะจ้าค่ะทีนี้มันมีข้อเสียอยู่ตรงนี้คุณเตือนใจในทั้งสองระบบเนี่ยก็จะมีคนเถียงกันนะนะว่าโอ้ต้องแบบนี้ถึงจะดีนะบริหารงานว่งวองไวอัตราธิปไตยไม่ต้องอะไรมากคนค บ, บัญชาการทีเดียวเสร็จสับเบ็ดเสร็จหมดจบนะ น, นี้ก็ดีระดับหนึ่งนะหรือบางคนก็จะบอกมันไม่ได้ต้องประชาธิปไตยดีนะั้ประชาชนทุกคนต้องมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งอะไรต่างอันนี้ดีก็ดีของเขาก็มีความเห็นของเขาข ลองฟังวความเห็นพระพุทธเจ้าดีกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมมาธิปไตยเท่านั้นหมายความว่าไงคือหมายความว่าเอาตามธรรมะนะคือถ้าอัตาตาธิปไตยเนี่ยคือตามความเห็นของคนคนเดียวเนี่ยถ้าคนคนนั้นยังมีกิเลสนะหรือว่าคนคนนั้นเป็นคนไม่ดีคือถ้าดีก็แล้วไปนะถ้าตัดสินใจถูกก็แล้วไปถ้าเป็นคนมีวิสัยทัศน์ก็ดีไปแต่เผอิญมาถูกกิเลสครอบงำตัดสินใจผิดพลาดเราเห็นมาแล้วอย่างกาดาฟี่เป็นต้นที่ริเบีย ซึ่งตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วตอนแรกๆเขาเป็นผู้บริหารที่ดีมากาช่วยเหลืออะไรต่างๆเปิดโลกของประเทศเขาขึ้นมาทําให้มีการรุ่งเรืองต่างๆแต่พอปลายหลังก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นทําให้การบริหารงานมีความเจ้าโกงอะไรต่างๆทําให้มีความเห็นไม่ตรงกันในประเทศจึงเกิดมปปีปฏิวัติขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะของอัตาธิปไตยซึ่งมีข้อเสียก็คือว่าถ้าผู้นําไม่ดีก็คือจบเลย นะ ซ, ซ, ซึ่งสภาวะของความเป็นผู้นำเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลเวลาก็คือคนยังมีกิเลสอยู่อ่ะถ้าคนยังมีกิเลสถูกเพื่อนไม่ดีครอบงำนะจากดีอยู่มันก็กลายเป็นเสียได้รวมทั้งบริวารด้วยใช่ใชบริวา<ะ>รวาด้วยอันนี้ถ้าบริวารไม่ดีเนี่ยก็คือว่าก็จะมีส่วนที่ทําให้การตัดสินใจของผิดพลาดได้ทีนี้บางคนก็เลยบอกงั้นธรรมาธิปไต่ประชาธิปไตยดีประชาธิปไตยเนี่ยคือคนหมู่มากตัดสินใจใช่ไหมซึ่งคนหมู่มากตัดสินใจเราก็ไม่รู้ว่าคนหมู่มากดีหรือเปล่า <Okay. S 2> ก็จะมีข้อเสียอย่างเดียวกันในกรณีของคนหมู่มากถ้าถูกชักจูงได้ง่ายนะถูก เ, เขาเรียกว่าโน้มน้าวได้ง่ายแล้วตัดสินในสิ่งที่ไม่ดีมันก็ไม่ดีเหมือนกัน <Okay. S 2> พเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่างั้นคุณต้องมีเขาเรียกว่ามาตรฐานการบริหารจัดการในกรณีนี้เอาอะไรเป็นมาตรฐานเอาธรรมะไง <Okay. S 2> เอาธรรมะนี่คืออะไรธรรมะนี่ก็คือคําสอนของพุทธเจ้าเอาทําไมต้องใช้สิ่งนี้ก็เพราะพะพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่มีกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกิเลสไม่มีดังนะนั้นเราเอาคําสอนของคนที่ไม่มีกิเลสนะเพราะว่ากิเลสเนี่ยจะเป็นตัวสร้างปัญหามัน <Okay. S 1> ไม่ว่าจะไปอยู่ในระบบไหนนะมันมีปัญหาหมดนะตอนแรกๆเราบอกว่าระบบประชาธิปไตยดีจะทําให้ประเทศชาติไม่มีการโกงแล้วปัจจุบันนี้มันอะไรแต่มันก็ยังมีการโกงกันอยู่ก็เพราะคนยังมีกิเลสมันก็หาช่องออกกฎหมายที่ให้โกงกันได้ก็มนะีหรือว่าหาช่องทางกฎหมายให้มีการโกงกันเกิดขึ้นได้ก็เพราะคนมันมีกิเลส แล้วคนที่ไม่รู้เขาก็ไปเลือกมีการซื้อเสียงใช่ไหมซึ่งตรงนี้พอเขาซื้อเสียงเนี่ยก็คือว่านำมาหาชนไปประชาธิปไตยเนี่ยนำประชาไปในทางที่ไม่ดีเพราะว่าตัวเองก็จะได้มาโกงได้อย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นเขาเรียกว่าข้อเสียของประชาธิปไตยเหมือนกันเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปแก้ที่ระบบบางคนบอกงั้นเอาระบบทุนนิยมมานะใช้เงินนะในการที่ พูดถึงกำไรพูดถึงการแข่งขันพูดถึงการคิดเริ่มสร้างสรรค์ซึ่งมันก็มีข้อเสียอีกตรงที่ว่าถ้าคุณยังมีกิเลสถ้าคนที่มีเงินมีกิเลสถ้าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีการแข่งขันมีกิเลสเขาก็จะพาให้สังคมเป็นแบบนั้นไปอย่างที่เราพบมาอยู่ในประเทศอเมริกันในปัจจุบันนี้ก็มีปัญหาในเรื่องของระบบทุนนิยมเหมือนกันที่เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ก็เพราะระบบทุนนิยมที่เขาทํากันมา ทีนี้ว่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้ก็ต้องพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้คือเรื่องของธรรมมาธิปไตนะ่คือบริหารจัดการเป็นไปโดยธรรมคือตรงนี้บางคนอาจจะแย้งว่าตอนแรกๆอาตมามาศึกษาคําสอนพรนะเจ้าในคุณเตืนใจเราคิดว่าโอ้พระเจ้านี่แม่เป็นกลุ่มอํานาจเบ็ดเสร็จทุกอย่าง ค, คือหมายความว่าเป็นคนออกธรรมมาเองนะคือประกาศกฎหมายตัวเองประกาศเอง นะแล้วก็ประกาศกฎหมายนี่คือวินัยของพระอย่างนี้นะเช่นศีลกี่ข้อกี่ข้อเป็นร้อยๆพันๆข้อเนี่ยใครเป็นคนบัญญัติพทุทธเจ้าบัญญัติเองนะภิกษุสงฆ์เนี่ยไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลยนะเข้าใจไหมอย่างพระคคเนี่ยจะมาร่วมออกกฎหมายพระเนี่ยไม่ได้นะคคต้องพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นอันนี้คือในสมัยพุทธกาลแล้วก็ธรรมะหมวดต่างๆเช่น อ, อริยสัจสีโพชง7มักมีองค์8อันนี้คนอื่นบัญญัติไม่ได้เลยนะพระพุทธเจ้าองค์เดียว น, นี่คือมีพระพุทธเจ้าเป็นมาตรฐานทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นแบบโอ้โหร่วมอํานาจเป็ดเสร็จทุกอย่างนทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าคนที่ทําอย่างนี้แล้วเนี่ยมันมีข้อเสียหายอะไรเราก็ต้องมาพิจารณาดูว่าสิ่งที่ออกบัญญัติมาเนี่ยดีหรือไม่ดนะีเอามาปฏิบัติแล้วดีหรือไม่ดีก็พบว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วนอกจากนี้ตอนก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพานเนี่ยคุณเือนใจก็ได้บอกภิกษุสงฆ์ทั้งหลายว่าเออถ้าจะยกเลิกเปลี่ยนปแปลงหรือว่า แก้ไขสิ่งใดๆก็สามารถทําได้นะโดยให้สง เ, เป็นผู้ตัดสินใจสงในที่นี้ก็คือหมายถึงหมู่สงทั้งหลายหลายๆคนร่วมกันคิดร่วมกันทําำเป็นลักษณะของประชาธิปไตยส่วนหนึ่งโจค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นประชาธิปไตยตรงนี้ก็ต้องอยู่บนมาตรฐานของสิ่งที่เป็นธรรมะเช่นเป็นไปเพื่อความขวนขวายน้อยเป็นไปเพื่อความหลีกออกเป็นไปเพื่อออกจากการเป็นไปเพื่อความสงัดสันโดษพวกนี้เป็นต้น นะถ้าอยู่บนมาตรฐานนี้คุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรไงก็อนุญาตให้ทำได้นะโดยพระเถระในสมัยนั้นมีพระ อ, อนนุ์มีพระมากษะสปะเป็นต้นเนี่ยนะท่านก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์นี้ในการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ให้เหมือนเดิมอย่างที่พระพุทธเจ้าได้คงเอาไว้เพราะฉะนั้นประเด็นที่อาตมาต้องการจะพูดคือเรื่องของธรมม ร, นะธร ม, มาธิปไตยธรรมาธิปไตคือการปกครองที่เป็นไปโดยธรรมะเช่นอะไรบ้างเช่น ทุกคนต้องมีสิทธิ์ในการถือสีหนห้านะสมมุติว่าไม่ว่ารัฐบาลไหนก็นแล้วแต่คุณจะปกครองระบบคอมมิวนสิสต์สมบิริยสิทธิราชทุนนิยมหรือว่าประชาธิปไตยครึ่งใบเต็มใบก็แล้วแต่เราไม่มีปัญหาในเรื่องการรักษาสีเลยคุณเตือนใจทุกๆประเทศในโลกนี้เขาก็ยังคิดว่าฆ่าคนเนี่ยไม่ดี เขายังมีออกกฎหมายว่าถ้าคุณค่านะเป็นคดีความชั้นอาญาขึ้นลงขึ้นศาลมีโทษจำคุกกี่ปีกีป่ปีอันนี้มันทั่วโลกเหมือนกันหมดใช่ไหมลักทรัพย์ล่ะลักทรัพย์ก็เหมือนกันทั่วโลกไม่มีใครต้องการมีการของหายถ้าเป็นงั้นเขาคงออกกฎหมายมาให้เอาทุกคนเอาถือเอาทรัพย์ของคนอื่นได้โดยไม่มีปัญหามันไม่เป็นอย่างนั้นถูกไหม <S <S ในเรื่องของศีลคือความเป็นปกติ5้าอย่างที่เรามี ม, มีกันเนี่ยพระมาจึงต้องบอกนี้บอกว่าท่านผู้ฟังอ่ะ อย่าไปสนใจมากเลยว่าการเมืองจะเป็นยังไงจะครึ่งใบเต็มใบสีเขียวสีเหลืองสีน้ําเงินสีแดงอะไรก็แล้วแต่นะเรายังมีสิทธิ์ที่จะถือศีลอยู่ให้สบายใจได้<ช>เรายังมีธรรมาทิปไตยอยู่นะอันนี้คือข้อที่1ข้อที่สองเนี่ยเรายังมีสิทธิ์ในการที่จะปฏิบัติ ท, ทางจิตของเราได้คือไม่ว่าจะรัฐบาลไหนหรือฝ่ายค้านฝ่ายไหนหรือนักการเมืองคนไหนเนี่ยนะเขาจะไม่สามารถแหกอกของเราแล้วก็ปรับว่าเธอต้องคิดอย่างนี้ เขาทำไม่ได้นะเขาจะต้องอสื่อสารกับเราเราเป็นคนมีสิทธิ์ในการที่จะตัดสินใจของเราเองว่าเราจะทําจิตอย่างไรอันนี้ถ้าพูดไปในรายละเอียดก็คือหมายความว่าคุณจะไม่โกรธคุณจะต้องไม่โกรธคุณจะต้องไม่มีความโลภคุณจะทําให้ไปเบียดเบียนคนอื่นก็แล้วกันแค่นี้เองนะี่คือหลักการคิดของเราเวลาเขาด่าเราอย่างเงี้ยหรือเขาพูดในสิ่งที่เราไม่พอใจอย่างเงี้ยเราจะต้องบังคับจิตของเราไม่ให้โกรธ ให้ได้นะถ้ า, าคนไหนทำสามารถทําให้จิตของเราเป็นอย่างนี้ได้เอออันนั้นเป็นธรรมอาทิปไตยนะเป็นสิทธิที่เรามีอยู่เนะี่ยคือเรื่องของการปฏิบัติทางจิตนะ น, นี่คือสองประการนะคือเรื่องศีลกับเรื่องของการภาวนาเจ้านะค่ ะ, ค, ะคือขึ้นกับตัวเราโดยตรงเลยนะเจ้าคะที่ว่าเราจะสามารถตั้งสติแล้วก็ไม่โกรธไม่จีตขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะคือคุมตัวเองได้นะเจ้าค่ะมีสติเจ้าคะ่ะ แล้วธรรมาทิปไตยตรงนี้นะคุณเตือนใจประกาศครั้งแรกครั้งเดียวสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างจบเลยค่ ะ, นะ่ไม่เหมือนกับรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญนี่ยังมีเป น, นี้เขาใช้พศ อ, อ, อะไรธรรมมาก็ไม่แน่ใจใช่ค่ะสองห้าห <25, S 2> <54, S 1> ้าส <right. S 1> ี่ใช่ห้าห้าแล้วใชค่ะห้าห้าใช้ใช้ใช้ปีอของพศสองห้าห้าสามไหมที่เพิ่งประกาศใช้ล่าสุดรัฐธรรมนูญของประเทศไทยเนาะ สักปีหนึ่งนี่แหละเพราะมันมันเปลี่ยนกันมาหลายครั้งจนเราเราจำไม่ได้แล้วคุณเตือนใจเอ้ยของปีแรกเนี่ยคือรัฐธรรมนูญปี24งพ <15, S 1> ันสี่้ยเจ้าแล้วก็มามีฉบับน้นฉบับนี้ฉบับอะไรต่างๆโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะจนกระทั่งมันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนแล้ ว, เป ล, ลวเปลี่ยนอีกแต่คําสอนของพระพุทธนะประกาศแล้วโชกเลยคือแบบจบสมบูรณ์บริบูรณ์นะถูกต้องตรงจริงตลอดการ นะไม่มีใครแย่งได้เพราะว่าพระพุทธเจ้ากําหนดสมาธินิมิตทุกคําในการพูดนะคําพูดของพระองค์จริงไม่ผิดนะประกาศตอนนี้แล้วก็ไปพูดอีกทีหนึ่งก็ไปพูดที่เมืองสาวัตถีได้อีกทีหนึ่งกลับมาพูดที่เมืองอกุสินาราทุกอย่างสอดคล้องกันหมดไม่มีผิดเพีย<ข>้ยนกันเลยไม่มีขัดแย้งกันด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะไม่มีขัดแย้งกันเล ย, ยแล้วก็คําของพระองค์เนี่ยตั้งแต่คืนที่ตรัสรูนะ้เป็นพระพุทธเจ้า จนกระทั่งถึงคืนที่ปรินิพานด้วยอนุปานทิเศ ส, สานิพานาธาตุเนี่ยคำ ข, ของพระองค์เนี่ยสอดคล้องกันนะไม่ขัดแย้งกันเป็นไปโดยประการอื่นนะไม่เหมือนกับบางกฎหมายเนี่ยเราออกมาตรานี้มานะแล้วก็ไปขัดกับกฎหมาย ม, มาตรานูน้นจึงต้องออกพระราชกฤษฎีกามาแก้ตรงนี้นะแล้วก็ออกกฎกระทรวงมาแก้ตรงนั้นอีกนะเลยก็มีกฎกรมกฎอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยจนสุดท <p' S 1> <ๆ>้ายมันต้องมาจบที่กฎหมู่กฎหมู่เขาแบไปเฮโลกันทำอย่างนั้นทำอย่างนี้โอ้ยมันปวดหัวไปหมด เพราะนะั้นถ้าเราใช้หลักของธรรมอาธิปไตนะ่เอาธรรมะเป็นบาตรฐานในการตัดสินใจนะแค่ง่ายๆว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกูอย่าให้ผิดศีลนะอย่าด่ากันอย่าว่ากันแล้วก็ให้จะทําอย่างนั้นได้เนี่ยจิตของเราจะต้องควบคุมได้ในการที่จะไม่โกรธนะแล้วก็ไม่โลภเกินกว่าเหตุนะก็จะทําให้เราอยู่ในธรรมอาธิปไต่ได้และบ้านเมืองมันจะเป็นสุข ไม่ออ ว, ว่าจะเป็นระบบอะไรเนี่ยเอาประชาชนเขาเห็นกันยังไงก็เอาตามนั้นก็ได้หรือผู้นําว่าอย่างไงเอาตามนั้นก็ได้ถ้ามันสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยเจ้าค่ะแล้วถ้าจะขัดแย้งกันหรือว่าอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะเจ้าคะในระบบประชาธิปไตยนี้เขาก็บอกว่าก็สามารถที่จะมีความเห็นที่แตกต่างกันได้แต่สามารถจะอธิบายให้กันและกันฟังในเหตุผลที่ตัวเองเชื่อได้ใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็การอธิบายนั้นก็ต้องอธิบายด้วย ปียาวาจาคือพูดจากนันดีๆถูกไหมเจ้าคะใช่ในเรื่องนี้ก็ในสมัยพุทธกาลก็มีนะอย่างเช่นว่ามีครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศบอกว่าอ้าพิสุคืนสมัยก่อนเนี่ยพิกษุเนี่ยชันข้าวสามมือนะคุณเตือนใจอ๋อเหรอเจ้าคะเช้าก็รอบหนึ่งกลางวันก็อีกรอบหนึ่งเย็นเอาอีกรอบหนึ่งเจ้าค่ะถ้าอาตมาอยู่สมัยพุทธกาลนี่แหมก็คงจะอ้วนมากกว่านี้ทีนี้ว่าในสมัยนั้นเนี่ยพอพระพุทธเจ้าบอกว่าเอางั้นเลิกมือเย็น นาะมีเหตุให้เลิกมือเย็นทุกคนพระทุกรูปก็เลิกมือเย็นนะพอเลิกมือเย็นเสร็จต่อมาต่อมาก็เลิกมือกลางวันนะเหลือมือเดียวคือมื้อแรกของวันนะพระเจ้าให้มือเดียวต่อวันนะก็มีพระรูปหนึ่งชื่อพระอุทายีพระอุทายีเนี่ยก็มาแสดงความเห็นกับพระพุทธเจ้าบอกว่ า, อาตอนที่พระองค์บอกให้เลิกมือเย็นเนี่ยนะแม้รู้สึกน้อยใจมากๆเลยว่า วุยทำไมให้เลิกมื้อเย็นเพราะมื้อเย็นนี่อาหารเขาเตรียมมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วเก็บมาอย่างดีจะมาทํากินกันมื้อเย็นมีรสชาติดีอร่อยแล้วก็กินแล้วก็สบายใจนอนหลับสบายทําไมเลิกมื้อเย็นรู้สึกน้อยใจพระภูชามากๆแต่ก็เก็บความน้อยใจเอาไว้เนี่ยไม่พูดอดทนไว้พอมามีวาระหนึ่งนีว่าคือตอนนั้นพระอุตายีเนี่ยไปบินบาบตอนกลางคืนเนื่นองจากว่าต้องหาเลี้ยงชีพตอนกลางคืนใช่ไหมกา ร, รหาเลงชีพของพิษุก็คือไปบิณฑบาบ พอไปบินตบาดเนี่ยก็พบว่ามันมืดมากสมัยก่อนนะนะเป็นคืนเดินมืดแล้วปรากฏว่ามีฟ้าผ่าเกิดขึ้นก็เดินสวนกับผู้หญิงคนหนึ่งนางผู้หญิงคนนี้เนี่ยนางพระมาณีเนี่ยก็เห็นภิกษุเดินผ่านมาด้วยแสงฟ้าแลแบแวบหนึ่งก็ตกใจว่าเป็นผีเปรตเป็นผีเปรตนะพระอุทายีก็บอกไม่ใช่ผีเปรตนี่คือภิกษุในพุทธศาสนาะมาบิณตบาดตอนเย็นนะเพื่อหาอาหารถ้าพบว่ามีอาหารก็ให้ก็ได้นะจะรับเอาไว้ พอ <Okay. S 2> พูดอย่างนี้แล้วนางพระมณีด้วยความตกใจก็เลยด่าไปบอกว่าโอ้ยเนี่ยเพราะว่าท้องหิวหรือไงทําให้ต้องออกมาบินบาตรตอนเย็นเห็นแก่ปากแก่ท้องอย่างนี้ไม่ดีคือตาด้วยความเจ็บเจ็บแสบแสบมากทํา ใ, <ช>ให้พระอุทัยยีเนี่ยโอ้ยอายไปเลยนะกลับกลับวัดด้วยบาทเปล่านั่นแหละอายไปเลยก็เห็นข้อดีว่าเออการงดมื้อเย็นนี่ก็ดีเหมือนกันนะทําให้เราไม่ต้องไปมีปัญหาตรงนี้แล้วก็นอกจากนี้บางทีก็ไปเดินเหยียบวัวแม่ลูกอ่อนบ้างเดินเหยียบหมาบ้าง ทำให้มันทำร้ายเราก็ปัญหาพวกนี้หมดไปเลยแล้วก็มาแสดงความเห็นให้พระพุทธเจ้าฟังแล้วพอบอกงดมือ้อกลางวันวก็ทำให้หมดปัญหาไปหลายอย่างในเรื่องของอาหารที่ย่อยได้ไม่ดีหรือเรื่องสุขภาพก็หายไปทีนี้นี่เป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าเวลาบางทีเนี่ยการตัดสินใจะอะไรต่างพระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้ภิกษุเนี่ยแสดงความเห็นได้แสดงความเห็นในเรื่องนั้นๆได้ดบางที ก็ยังถามหมู่สงในเรื่องของการตัดสินใจบางอย่างเหมือนกันนะซึ่งในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามในส่วนของธรรมาธิปไต่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าหลักที่กว้างๆอย่างเอาแค่เรื่องศีลห้าอย่างเงี้ยคุณจะประกอบอาชีพเป็นนักค้าขายหรือข้าราชการหรือว่าเป็นพนักงานบริษัทนะหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวพวกเนี้ยก็อยู่ในหลักของศีลห้าได้หมดนะเพราะมันครอบคลุมหมดมันกว้างมาก แช่เราไม่ว่าจะมีความเห็นต่างกันอย่างไรแต่ขอให้อยู่ในหลักของศีลห้าแล้วก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิน้นเจ้าค่ะก็แม้ว่าจะมีอาชีพหรือว่ามีการศึกษาความเป็นอยู่หรือว่ามีเบื้องหลังหรือแบบเขเรียกกันว่าแบ็กกราวน์เนี่ยเจ้าคะชีวิตต่างกันอย่างไรเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเลยถ้า <Okay. S 2> ทุกฝ่ายทุกคนรักษาศีลห้าไว้นะเจ้าคะ่ะก็จะเกิดความสงบสุขขึ้นแหละในสังคมนั้นๆนะเจ้าค่ะมีประเด็นหนึ่งคือ ตรงนี้พระเจ้าเคยพูดถึงหลักการบริหารบ้านเมืองที่พระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยจะใช้คือพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยคือกษัตริย์ที่ปกครองทั่วโลกนะคือไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ว่าปกครองทั่วโลกเลยนะมีตําแหน่งที่ชื่อว่าพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยจะมีจะใหญ่กว่าความเป็นพระมหากษัตริย์อีกพระมหากษัตริย์นี่จะต้องขึ้นตรงต่อพระเจ้ากรัตริย์อีกทีหนึ่งนโยบายในการบริหารบ้านเมืองของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ย มีแค่5ข้อข้อที่1คืออย่าลักทรัพย์กันนอย่าฆ่ากันนี้ข้อที่1คืออย่าฆ่ากันข้อที่2อย่าลักทรัพย์ข้อ3อย่าประพฤติผิดในกามข้อ4อย่าแกล้งกล่าวเท็จแล้วข้อหาอย่าดื่มสุราเมรายอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนโยบายการบริหารบ้านเมืองของท่านเนี่ยมีห้าข้อบ้านเมืองเนี่ยอยู่ด้วยความเป็นปกติสุขมากๆเลยคุณเตือนใจสมัยนั้นนะนะคุณค่ะแล้วพอมีนโยบายอย่างนี้เนี่ย แต่ละประเทศเขาก็ออกกฎหมายลูกนะออกกฎหมายของแต่ละภูมิภาคของเขาเนี่ยให้อยู่ในหลักนี้หนักสี่ห้าซึ่งจริงๆแล้วประเทศไทยของเราก็มีส่วนที่ถูกต้องอย่างนั้นอยู่นะกฎหมายหลายๆฉบับก็จะเกี่ยวข้องกับด้วยเรื่องนี้อยู่มากทีเดียวจริงๆคดีความในศาลเนี่ยมีผู้พิพากษาเคยมาคุยกับธรรมะให้ฟังนะว่าถ้าผู่วัาทุกคนปฏิบัติตามศี่หได้นะคดีความในศาลเนี่ยเกสาร์นต์คุณเตือนใจ 9กาสจะลดลงไปเลย <Okay. S 1> เราไม่ต้องเสียงบประมาณในเรื่องของการบริหารจัดการตรงนั้นมากๆถ้าเรามารณรง์ให้คนอยู่ในศีลห้าใช้การปรกครองที่เป็นธรรมาธิปไต้จู่ค่ะบางทีโลกมันเปลี่ยนแปลงไปอ่ะการเปลี่ยนแปลงอย่างตอนสมัยที่เปลี่ยนแปลงการปกครองสองสี่เอย่างเงี้ยบ้านเมืองก็มีความวุ่นวายเหมือนกันเนาะจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตย แต่ถ้าเราอยู่ในหลักของสี่ห้าหลักของธรรมาทิปไตเนี่ยความเดือดร้อนนี้ก็จะจากหนักก็จะเป็นเบาจากเบาก็จะกลายเป็นไม่มีไปด้วยะธรรมาทิปไตตรงนี้เจ้าค่ะเท่าที่โยมฟังพระอาจารย์ไตบุญอภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกได้สากฉามาในประเด็นตั้งแต่ต้นนะเจ้าคะโยมมองว่า สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้นั่นก็คือเพราะพระพุทธองค์เป็นผู้ที่ทรงไม่มีกิเลสแล้วใช่ไหมเจ้าคะดังนั้นทุกสิ่งที่พระองค์สอนนั้นน่ะก็จะเป็นสิ่งที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็คนเราเนี่ยเจ้าคะ่ะถ้าหากว่าเราสามารถรักษาศีลแล้วก็เป็นคนที่สะอาดบริสุทธิ์ได้หมายถึงว่าคงไว้ซึ่งศีลหอย่างน้อยพื้นฐานเนี่ยก็คือจะทาให้ไม่ว่าเราจะ อยู่ในระบบการปกครองอะไรก็ตามไม่ว่าจะอาตาัตราธิปไตยประชาธิปไตยหรือทุนนิยมอะไรต่างๆนั้นเนี่ยถ้าทุกคนมีสีนิยมว่าสังคมก็สงบสุขใช่ไหมเจ้าค่ะร่มเย็นกันได้ถูกต้องถูกต้องเจ้าค่ะอันนี้คือพูดถึงประชาชนทุกคนนะมัะนมีมุมมองของแต่ละคนแต่ละคนทีนี้ในมุมมองของผู้ปกครองผู้ปกครอ ง, ผ, รองผู้ปกครองก็คือว่าราชการระดับสูงนักการเมืองอะไรต่างๆที่คุณมีอำนาจ ในการที่จะบระิหารงานบ้านเมืองคุณเนี่ยจะยิ่งต้องทําให้ประชาชนทุกคนเนี่ยอยู่ในกรอบนี้อยู่ในกรอบนี้ด้วยวิธีใดๆก็แล้วแต่เจ้าค่ะจะด้วยวิธีทุนนิยมจะด้วยวิธีาการเขารเรียกว่าสังคมนิยมหรือจะด้วยวิธีประชาธิปไตยหรือวิธีอะไรซักวิธีอะไรวิธีหนึ่งนะ่ยให้คนอยู่ในธรรมธรรมซะรณรงค์ซ ะ, ะอันนี้จึงจะดีเจ้าค่ะก็เรียกว่าบ้านเมืองจะเป็นสุขได้นะเจ้าค่ะใช่ใช่ ทีนี้ว่าถ้าเราไปแก้กฎหมายอะไรต่างๆในลักษณะที่นอกแนวไปจากนี้เนี่ยนะก็จะแก้เหนื่อยเปล่าๆนะเพราะไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุของการที่ทําให้บ้านเมืองมีปัญหาอะไรต่างเนี่ยเพราะกิเลสในกิเลสของแต่ละคนมันฟูไปทางนั้นมันก็เป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวขึ้นเวทีด่ากันกิเลสขึ้นของคนมันฟูไปอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวก็โกงกันโกงกันมากมากกับฆ่ากันฆ่ากันมากมากกับผิดลูผิดเมียกันอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปหลายอย่างหลายสิ่ง เพราะเราแก้ที่ต้นเหตุต้นปัญหาคือคือกิเลสนะจะรโรงในเรื่องศีลห้าปฏิบัติทางจิตถึงจะถูกต้องเจ้าค่ะก็เรียกว่าแก้กันที่กิเลส ท, ที่อยู่ในตัวของแต่ละบุคคลคือปัจเจกบุคคลใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ใช่เจ้าค่ ะ, คะทีนี้แต่ละคนแต่ละท่านนะบางทออีอย่างบางคนหนาก็มีบางก็มีหนานี่เหมือนกิเลสหนาะนะบางนี่หมายถึงกิเลสบางเพราะฉะนั้นถ้าบอกโดยการบอกธรรมดาเนี่ยเขาก็แก้ได้ในบางคน แต่บางคนบอกธรรมดาแก้ไม่ได้มันต้องมีมาตรการซึ่งมาตรการเหล่านี้แหละนะซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลหรือว่าคนที่มีอำนาจนะหรือฝ่ายปกครองเนี่ยควรจะต้องกระทําเพราะว่าทุกคนมันไม่ได้เป็นคนดีหมดได้นะคือเกิดามาจากท้องแม่อยู่ๆทาดีเลยเนี่ยมันก็เป็นบางคนเป็นแต่บางคนมันไม่เป็นแต่เพราะฉะนั้นจึงต้องมีคนที่เป็นผู้นําในการที่จะทําความดีถ้ารัฐบาลยังโกงอยู่คุณอย่าหวังเลยว่าคนชาวบ้านชาวช่องรัานตลาดมันจะไม่โกง อันนี้เป็นเป็นขั้นเป็นตอนละ่ะที่พูะุทธเจ้าเคยเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ระบบราชการลงไปนะจนถึงชาวบ้านร้านตลาดเนี่ยก็จะเป็นสายเป็นสายทอดๆกันไปชจค่ะ อ, อันนี้ก็คงจะเหมือนกับคำ สุภาษิตหรือว่าคำกล่าวอ้างที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะเจ้าค่ะว่าถ้าเผื่อหัวไม่กระดิกนี้หางก็ไม่สายใช่ไมเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะเราเหลือเวลาในรายการอยู่สองนาทีนะเจ้าค่ะในโอกาสที่พระจันทร์ไพบูลอภิปุโนได้มีตาที่จะมาสักษาหรือพูดคุยธรรมะในเรื่องของธรรมมาทิตยไตยซึ่งเป็นการปกครองตามธรรมะเรียกว่าเป็นมาตรฐาน บริหารจัดการโดยธรรมะตามที่พระพุทธองค์ได้ส่งบัญญัติไว้นะเจ้าคะ่ะอยากจะขอให้พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะฝากแง่คิดเป็นวันเป็นการส่งท้ายที่วันนี้เป็นวันคล้ายวันพระราชทานรัฐธรรมนูญเจ้าคะ่ะกราบมิมนเจ้าคะ่ะว่าสิทธิ์ของเราธรรมาจะเน้นเรื่องนี้คือสิทธิ์ของบุคคลบุคคลแต่ละท่านที่กําลังฟังเสียงนี้อยู่เนี่ยสิทธิ์ของคุ ณ, ค, ณคุณมีเต็มที่แล้วสิทธิ์ของคุณคุณมีเต็มที่ในการที่จะตั้งมั่นไว้ในกุศลธรรมนะอยาดากาันอย่าว่ากัน ให้มีกายสุจริตให้มีวาจาสุจริตให้มีความความคิดทางใจเป็นสุจริตเรามีสิทธิ์อย่างนี้เราทําอย่างนี้เราถูกต้องเราเป็นธรรมาที่ปตยได้ในตัวเราเองในครอบครัวของเราเองทําได้แบบนี้เจ้าค่ะก็เรียกว่าทําได้แล้วก็เกิดมงคลต่อชีวิตของเรานะเจ้าคะ่ะถ้ามองไปในวงกว้างก็คือสังคมและประเทศชาติก็มีแต่ความสงบร่มเย็นนะเจ้าคะ่ะใช่เจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะนั่นก็เป็นทั้งหมดของสาระ จากรายการธรรมาราบรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่เรามาพบกันในเช้าวันนี้เสาร์ที่10ธันวาคมซึ่งก็เป็นวันคล้ายวันพระราชทานรัฐธรรมนูญตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจดได้ทรงมีน้ำพระทัยเมตตาที่จะพระราชทานมาเมื่อปีพุทธศักราช2475นะคะค่ะ รายการธรรมาระประรุณเช้าวันนี้ก็คงจะฝากแง่คิดดีๆเกี่ยวกับเรื่องของธรรมอาธิปไตยให้ท่านฟังทางบ้านเก็บไปลองคิดดูนะคะแล้วก็ช่วยกันทําให้สังคมของเรานั้นเป็นสังคมที่มีการบริหารจัดการโดยธรรมก็จะเกิดความสงบสุขร่มเย็นความขัดแย้งต่างๆก็คงจะมาลายหายไปนะคะค่ะเราก็เห็นจะต้องขอนำท่านผู้ฟังมากราบน้ำพิการขอพระคุณและกราบน้ำสการลาพระอาจารย์ภัยบูลนภิพุโนพระอาจารย์ของเรานะคะซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์ของ พ ร, ระเดชพุหลวงพ่อดออรสะอาดที่โตภโซหรือพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไฮโศก ค, ค่ ะ, อ, ะอยู่ที่ตําบลดอนไฮโศกอาเภอหนองหานจังหวัด อ, อุดรธานีนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะตีหตื่นมาพบกันใหม่ค่ะก็จะได้สนทนาสกากฉาธรรมะกับพระอาจารย์ภับูลเหมือนเช่นเคยสําหรับวันนี้ขอกราบนมันสการลาและกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะเจ้าค่ะกรานบนมัสการเจ้าค่ะสาธิเจ้าค่ะ